ห้าอันตาธานวัตหมวดว่าด้วยการรับหน้าที่เป็นโจทย์คุณสมบัติที่ผู้โจทย์พึงพิจารณา436ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาคุณสมบัติภายในตนเท่าไหร่จึงจะโจทย์ผู้อื่นได้พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาคุณสมบัติภายในตนห้าอย่างแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นทำห้าอย่างนั้นคือหนึ่งพุทธุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเรามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอ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 เชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจดนั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ 2. อ, อนหนึ่งภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอเราประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไม่เสียหายไม่บกพร่องคุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนอถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้มีความประพฤติ ท, ทางวาจาบริสุทธิ์ประกอบด้วยความประพฤติ ท, ทางวาจาบริสุทธิ์ไม่เสียหายไม่บกพร่องภิกษุผู้โจท์นั้นย่อมถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติ ท, ทางวาจาเสียก่อนเถิด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 เราเป็นพหูสูตรทรงสุตะมีการสั่งสมสุตะหรือหนอเราได้สดับมากทรงจำได้แม่นยำคล่องปากขึ้นใจรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งทำงามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันย ร, ร์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่หนอคุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนอถ้าภิกษุไม่ได้เป็นพระหูสุดทรงสุตตะมีการสั่งสมสุตตะได้สะดับมากทรงจำได้แม่นยำคล่องปากขึ้นใจรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งทำงามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศพรรมจานทร์พร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนภิกษุผู้โจทนั้นย่อมจะถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านศึกษาพระปริยัติเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจดนั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ 5. อันหนึ่งิุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่น พึงพิจารณาอย่างนี้เราทรงจำปาติโมกทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดารจำแนกถูกต้องจัดประเบียบถูกต้องวินิจฉัยถูกต้องโดยสุตะโดยอนุพยัญชนะหรือหนอคุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนอ ถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้ทรงจำปาติโมกทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดารจําแนกถูกต้องจัดระเบียบถูกต้องวินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุปยัญชนะภิกษุผู้โจดนั้นย่อมจะถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านศึกษาพระวินัยให้ชำนานเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจดนั้น ย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้อุบาลีภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาคุณสมบัติภายในตนหอย่างนี้จึงโจดผู้อื่นคุณสมบัติที่โจดพึงตั้งไว้ในตน437ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจด พระสงค์จะโจดผู้อื่นพึงตั้งคุณสมบัติเท่าไรไว้ในตนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้โจท์ประสงค์จะโจท์ผู้อื่นพึงตั้งคุณสมบัติหอย่างไว้ในตนคุณสมบัติ5อย่างคือ 1. เราจะโจท์โดยการที่ควรจกไม่โจท์โดยการไม่ควร 2. เราจากโจทย์ด้วยเรื่องจริงจกไม่โจทย์ด้วยเรื่องไม่จริง 3. <สร>เราจากโจทย์ด้วยคำสุภาพจกไม่โจทย์ด้วยคำหยาบ 4. เราจกโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์จกไม่โจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ 5. เราจากมีเมตตาจิตโจทย์จกไม่มุ่งร้ายโจทย์อุบาลี ภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นควรตั้งคุณสมบัติ5ประการนี้ไว้ในตนจึงโจทย์ผู้อื่นโจทย์ควรใฝ่ใจถึงธรรม438ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นควรใฝ่ใจธรรมเท่าไหร่ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีพิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นควรไฝ่ใจทำห้าอย่างไว้ในตนแล้วโจ์ผู้อื่นทำห้าอย่างคือ 1. มีความการุณ 2. มุ่งประโยชน์ 3. ม, มีความเอนดู 4. มุ่งออกจากอาบัติ 5. ยึดพระวินัยไว้เป็นแนวทางอุบาลีภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นควรไฝ่ใจทำห้าอย่างนี้ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นองค์ของพิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาส439ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแลขอให้ทำโอกาส สงไม่ควรทําโอกาสพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าขอให้ทําโอกาสสงไม่ควรทําโอกาสองค์าคือ 1. เป็นผู้มีความประพฤติ ท, ทางกายไม่บริสุทธิ์ 2. เป็นผู้มีความประพฤติ ท, ทางวาจาไม่บริสุทธิ์ 3. เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ สเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาด 5. ถูกซักถามไม่อาจตอบข้อซักถามอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องคหานี้แลขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสองค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาสอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องค์าขอให้ทำโอกาส สงควรทำโอกาสองห้าคือ 1. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 2. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 3. เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ 4. เป็นบัณฑิตฉลาด 5. ถูกซักถามเข้าอาจตอบข้อซักถามอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบไดยองห้านี้แหละขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสองค์แห่งอธิกรที่ตนพึงรับสสสิท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรพึงรับอธิกรประกอบด้วยองค์เท่าไหร่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลีภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงรับอธิกรณ์ประกอบได้องค์ห้าคือหนึ่งภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงพิจารณาอย่างนี้ว่าข้อที่เราประสงค์จะรับอธิกรณี้ถึงเวลาที่จะรับอธิกรณี้หรือไม่ถึงหนอถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่า ยังไม่ใช่เวลาที่จะรับอธิกรณ์นี้ถึงเวลาหามีได้ก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นสองอันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าถึงเวลาที่จะรับอธิกรณ์นี้ไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาภิกษุนั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าข้อที่เราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้ อธิกรณ์ที่เราจะรับนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์ที่จะรับนี้ไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นสอันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไม่จริง ภิกษุนั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าข้อที่เราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้อธิกรณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่มีถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นสอันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุนั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้จะได้พิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบหากันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินัยหรือไม่ถ้าพิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเรา เมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้เราจะไม่ได้ภิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบหากันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินัยก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นหอนหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้เราจะได้ภิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบหากันมา เป็นพวกโดยชอบทำโดยชอบด้วยวินัยภิกษุนั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าเราเมื่อรับอธิกรณี้ไว้อธิกรณ์นั้นจะเป็นเหตุให้สงบาดหมางทะเลาะแก่งย่งวิวาทสงแตกกันสงร้าวรานสงแบ่งแยกสงเป็นต่างๆกันหรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเรา เมื่อรับอธิกรนี้ไว้อธิกรนั้นจะเป็นเหตุให้สงบาทหมางทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันสงแตกกันสงร้าวรานสงแบ่งแยกสงเป็นต่างๆกันก็ไม่ควรรับอธิกรณนั้นอันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรนี้ไว้ อธิกรณ์นั้นจะไม่เป็นเหตุให้สงบาดหมางทะเลาะแก่งแย่งวิวาทสงแตกกันสงร้าวรานสงแบ่งแยกสงเป็นต่างๆกันควรรับอธิกรณ์นั้นอุบาลีอธิกรณ์ซึ่งประกอบด้วยองค์ห้าที่ภิกษุรับแล้วจกไม่กระทำให้เดือดร้อนในภายหลังด้วยประการชะนี้ องของภิกษุผู้มีอุปการะมาก441ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรหน้อแลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกภิกษุก่ออาทิกรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองห้า อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกภิกษุกออาิกรองห้าคือ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสังสมสุตะทาเหล่านั้นใดที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดย่อมสรรเสริญพรหมจันร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะทาทั้งหลายเห็นป่านี้ ย่อมเป็นอันเธอสดับมากส่งไว้สั่งสมด้วยวาจาเข้าไปเพ่งด้วยใจประจักษ์ชัดดีแล้วด้วยทิฏฐิ 3. จำปาติโมกทั้งสองโดยพิศดาลได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดี 4. ี เป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินยัยไม่คลอนแคลน 5. เป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่ต่อสู้ในอธิกรณ์ยินยอมเข้าใจเพ่งเห็นเลื่อมใสอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุพวกก่ออธิกรณ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5แม้อีกอย่างเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกภิกษุก่ออจิกรองค์5คือ 1. เป็นผู้มีความประพฤติ ท, ทางกายบริสุทธิ์ 2. เป็นผู้มีความประพฤติ ท, ทางวาจาบริสุทธิ์ 3. เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ 4. เป็นบัณฑิต ฉลาด 5. ถูกซักถามอาจให้คำตอบข้อซักถามอุบาลีพิกสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลเป็นผู้มีอุปการะมากแกพิกสุก่ออธิกรอุบาลีพิกสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างเป็นผู้มีอุปการะมากแกพิกสุก่ออธิกรองค์หาคือ 1. รู้วัตถุก 2. รู้นิทาน 3. รู้พระบัญญัติ 4. รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง 5. รู้ถ้อยคำอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แหลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกภิกษุกออาธิกร องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม442ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองเท่าไรหนอแลไม่ควรสักถามพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5ไม่ควรซักถามองค์5คือหนึ่งไม่รู้พระสูตร 2. ไม่รู้ข้ออนุโลมพระสูตร 3. ไม่รู้พระวินัย 4. ไม่รู้ข้ออนุโลมพระวินัย 5. ไม่ฉลาดในฐานะอันควรและฐานะอันไม่ควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบไดยองคหานี้แลไม่ควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถามอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบได่องค์าควรซักถามองค์าคือ 1. รู้พระสูตรสอรู้ข้ออนุโลมพระสูตรสารู้พระวินยัย 4. รู้ข้ออนุโลมพระวินยัย 5. ฉลาดในฐานะอันควรและฐานะอันไม่ควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องห้านี้แลควรซักถาม องของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5แม้อีกอย่างไม่ควรซักถามองค์5คือ 1. ไม่รู้พระธรรม 2. ไม่รู้ข้ออนุโลมพระธรรม 3. ไม่รู้พระวินยัย 4. ไม่รู้ข้ออนุโลมพระวินยัย 5. ไม่ฉลาดในคําต้นและคําหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถามอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรซักถามองค์หคือ 1. รู้พระธรรม 2. รู้ข้ออนุโลมพระธรรม 3. รู้พระวินัย สรู้ข้ออนุโลมพระวินัย 5. ฉลาดในคําต้นและคําหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องคหานี้แลควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าแม้อีกอย่างไม่ควรซักถามองค์าคือ 1. ไม่รู้วัตถุ 2. ไม่รู้นิทาน 3. ไม่รู้พระบัญญัติ 4. ไม่รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง 5. ไม่รู้ถ้อยคาอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้และไม่ควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถามอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรซักถามองค์ห้าคือหนึ่งรู้วัตถุสองรู้นิทานสามรู้บัญญัติสี่รู้บทที่ตกหล่นในภายหลังห้ารู้ถ้อยคาอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรซักถาม องของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกอย่างหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าแม้อีกอย่างไม่ควรซักถามองค์5คือ 1. ไม่รู้อาบัติ 2. ไม่รู้สมุทฐานแห่งอาบัตสามไม่รู้ประโยคแห่งอาบัตสีไม่รู้ความระงับอาบัติ 5. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัต อุบาลีพิษุผู้ประกอบได้องห้านี้แลไม่ควรซักถามองค์ของพิกษุผู้ควรซักถามอุบาลีพิกษุผู้ประกอบได้องห้าควรซักถามองห้าคือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้สมุดฐานแห่งอาบัติ 3. รู้ประโยคแห่งอาบัติ 4. รู้ความระงับอาบัต หฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละควรซักถามองค์ของพิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกในหนึ่งอุบาลีพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรซักถามองค์หคือ 1. ไม่รู้อธิกร 2. ไม่รู้สมุดฐานแห่งอธิกร มไม่รู้ประโยคแห่งอธิกรณ์ไม่รู้ความระงับอธิกรณ์ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องหานี้และไม่ควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถามอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้อง์5ควรซักถามองค์าคือ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 หัวข้อประจำวักภิกษุผู้มีความประพฤติทางกายวาจาบริสุทธิ์ภิษุผู้กล่าวโดยการมีความการุณควรเป็นผู้โจ์การทำโอกาสการรับอธิกรอธิกรและการรับอธิกรอีกในหนึ่งภิษุผู้รู้วัตถุรู้พระสูตรรู้ธรรมรู้วัตถุอีกในหนึ่ง รู้อาบัติรู้อธิกร